ปีพุทธศักราช2499พันศาที่12ท่านจําพรรษาที่วัดป่ามหาวีระอุตการามหนองใต้ตําบลขามป้อมอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเมื่อท่านหลวงปู่ศีมหาวีโรต้องเดินทางไปยังอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นการไม่สะดวกที่ท่านจะสั่งสอนบิดาด้วยธรรมอันลึกซึง้งท่านจึงแสวงหาที่เหมาะสม เพื่อพักจำพรรษาทราบว่าที่บ้านหนองใต้มีป่าพอเป็นที่อาศัยปฏิบัติธรรมและลบลีกจากผู้คนทางจังหวัดร้อยเอ็ดที่เริ่มมาเกี่ยวข้องมากขึ้นทุกวันเนื่องจากในขณะนั้นจิตของท่านก็ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งหลายการก่อสร้างอะไรอะไรที่ใหญ่โตที่จะทำให้เสื่อมถอยจากคุณธรรมอันยิ่งต้องพักไว้ก่อนพระท่านพระจารย์มั่น มักจะพร่ำสอนสิทธิเสมอว่าสมเด็จพระพุทธองค์นั้นท่านประสูดตรัส ร, รู้ปรินิพานทรงประทานปฐมเทศนาในป่าป่ามีกุญแจพระกรรมฐานเป็นที่น่าเคารพ บ, บูชาของพระกรรมฐานทำทั้งหลายที่พระธุดง์จะได้มานั้นทั้งหมดมาจากความสงัดวิเวกทั้งนั้นในป่านั้นอุดมไปด้วยเทพที่จะมาอนุโมทนาสาธุการกับพระ ที่ได้มาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างดีทั้งชื่นใจทั้งอนุโมทนายินดีปรีดาด้วยเมื่อพระได้บำเพ็ญเพียแพรแผ่เมตตาให้ไปโดยรอบไม่มีประมาณไม่แต่มนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์แม้แต่สัตว์น้อยใหญ่จตุบททวิบาทโดยรอบย่อมได้รับกระแสะแห่งความเยือกเย็นของการแผ่เมตตาบา ร, รมีของพระตลอดการจัดสร้างสิ่งใดที่หรูหรามากมาย ถือว่าเป็นการรกรุงรังหลวงปู่ศีมหาวีโรได้ก้าวเดินตามแบบอย่างของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตแต่เนื่องด้วยคนทางภาคอีสานในสมัยนั้นยังนับถือพูดผีกันอยู่เป็นจำนวนมากและผีก็แสดงอำนาจให้คนที่ไม่สนใจศีลธรรมหวาดกลัวกันอยู่เสมอหลวงปู่ท่านได้พิจารณาว่าถ้าจะสอนคนต้องเอาธรรมะปราบผีให้ชนะเสียก่อนถ้าเอาชนะผีได้ คนเหล่านั้นก็จะเชื่อพระตนตรายว่าเป็นสิ่งประเสริฐอย่างแท้จริงหลวงปู่ศรีท่านเล่าว่าที่บ้านหนองใต้อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสา ร, รคามที่แห่งนี้มีผีดุมากผู้ใดมาลบหลู่ดูหมิ่นจะต้องได้รับความเดือดร้อนเสมอประเภทความดุของผีถ้าเทียบกันแล้วผีที่อยู่ตามแถบภูเขาไม่ร้ายแรงเท่ากับผีที่อยู่ตามท้องทุ่งที่ทุ่งนาบ้านหนองใต้ เราต้องต่อสู้กับผีนานถึงสิบห้านาทีผีมันทึ่งยอมคำว่ายอมนั้นคือยอมในธรรมะของเราที่มีเมตตาธรรมอันอ่อนนิ่มภายในจิตใจแผ่ไปให้เขาหลวงปู่ศรีเล่ายุทธวิธีปราบผีว่าย่าเมื่อมีคนโดนผีเข้าเราก็กำหนดจิตไปที่คนคนนั้นถามเขาว่าเจ็บที่ตรงไหนถ้าเขาบอกว่าเจ็บอยู่ที่ท้อง เจ็บอยู่ที่ขาเราก็จะกำหนดจิตเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปตรงที่เขาเจ็บจนกระทั่งคนที่โดนผีเข้าสิงล้มลงสักพักหนึ่งพอเขารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ให้น้ำมนตอนที่เราไปปราบผีที่ทุ่งนาทุกสายตาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าป่าบอล น, นานาหมุนติ้วเลยเป็นมาสจันท ร, ร์ที่เหมือนกับพลังเป็นที่ร่าลือกันนักกันหนาแต่ที่วัดหนองใต้นี้แรงมาก เขาสร้างหอผีผัวเมียให้คนไปกราบไหว้บูชาในบริเวณนั้นในจอมปลวกใกล้ต้นมะขามใหญ่บางทีผีมันเอาคนไปซ่อนไว้ชาวบ้านก็ช่วยกันหาไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่เจอเราจรึงบอกว่าอยู่ตรงนั้นไงอยู่ตรงจอมปลวกใต้ต้นมะขามนั้นไงชาวบ้านไปเห็นขาชี้อยู่ชาวบ้านก็ช่วยกันดึงออกมาในบริเวณนั้น ใครเข้าไปเอาไม้แห้งมาทาฟืนหุงต้มก็ไม่ได้มะขามสุกที่หล่นจะเจ็บมาจินก็ไม่ได้ต้องโดนผีเข้าทันทีเราก็ไปเดินดูทั่วบริเวณสิบสองไร่มีหอผีผัวเมียมันมีสิวด้ามหนึ่งตกอยู่เราเห็นว่าสิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะขณะนั้นกำลังก่อสร้างศาลาพักหลังเล็กๆ เ, เราจึงหยิบแล้วเดินมาจึงพิจารณาค้นหาว่าเอผีตัวนี้มันอยู่ที่ไหนหนอ หรือว่ามันหนีไปอยู่ที่ไหนขณะที่เดินไปใกล้ของน้ํามันก็กระโดดมาเกาะขาพึบเลยจึงกําหนดจิตเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินไม่ออกเราก็เริ่มหายใจไม่ออกเข้าไปนั่งในกรดไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงแล้วผีก็กระเด็นออกไปเองพอตกตอนกลางคืนผีที่เป็นนายอําเภอซึ่งเป็นยอดตาแหน่งทางผีเขาไปสั่งผู้เหี่ยบ้านที่เป็นเพื่อนของตนว่าเพื่อนเราจะไปแล้วนะ อยู่ไม่ได้แล้วเจ้าของเขามาแล้วให้ดูแลวัดวาด้วยแล้วพวกผีก็แห่ช้างแห่ควายพร้อมด้วยบริวารย้ายถิ่นฐานนี้ไปเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีผีสางนางไม้ไปรบกวนคนอีกเลยชนทั้งหลายจึงขนานนามหลวงปู่ศรีว่าหลวงปู่ศรีผีย่านอันหมายถึงผีกลัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผู้เขียน พอกล่าวถึงผีตัวเดิมที่กระโดดเกาะขาหลวงปูศ่ศีดังที่หลวงปูศ่ศีท่านเมตตาเล่าด้วยความขบขันต่อไปว่าอย่าว่าแต่คนเลยนะท่านผีก็เล่นหวยเหมือนกันผีที่เป็นกำนันมาบอกหวยเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านงวดแรกก็ถูกงวดที่สองก็ถูกพองวดที่สามต่างคนก็ต่างทุ่มกันเต็มที่ผลปรากฏว่าผิดไปตัวเดียวผู้ใหญ่บ้านหมดตัวถึงกับโมโห ไปเตะหอผีใช้ค้อนทุบหอผีด่าว่าทาไมมึงมาหลอกกูบักหาบักเสียวให้ผีเระยมผีก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็เสียช้างไปสามเชือกเหมือนกันอันหมายถึงช้างผีผู้เยบ้านที่เป็นเพื่อนก็ถามผีว่าทำไมถึงเสียก็เสียสิเพราะกูก็แทงหวยผิดเหมือนกันกันกบมึงนั่นแหละแล้วพวกมึงเป็นผีไปได้หวยมาได้อย่างไรผีตอบว่า ไปได้หวยมาจากผีภูเขาควายเวียงจันประเทศลาวผีที่นั่นคุยนักคุยหนาว่าให้หวยแม่นเราก็ทุ่มหมดตัวเหมือนกันนึกว่ามันจะแน่ที่ไหนได้ผีหวยแตกหลอกแม้กระทั่งผีด้วยกันนี่ผีก็เล่นหวยเหมือนกันตอนที่ท่านเล่าให้ญาติโยมฟังหัวราอกันท้องคัดท้องแข็งเรื่องเกี่ยวกับพูดผีและยักประทุษร้ายพระอริยเจ้านี้ แม้ในครั้งพุทธกาลก็มีปรากฏให้เห็นดังนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันใกล้นครราชครืในสมัยนั้นพระสารีบุตรและพระโมคขลานะบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่กะโปตะกันทราหานพระสารีบุตรปรงผมเสร็จใหม่ๆท่านนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู่ในราตรีเดือนงายในขณะนั้น มียักษ์สองสหายเที่ยวจ่ารีจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ได้เห็นท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่ยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าสหายเราจะตีศีรษะสมณารูปนี้ยักษ์ผู้เป็นสหายได้ฟังดังนั้นก็กล่าวห้ามถึงสามครั้งว่าสหายอย่าเลยท่านอย่าทำร้ายสมณนะสมณะนั้นมีกุยิ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่ยักษ์ผู้เป็นสหายไม่เชื่อ ได้ตีศีรษะท่านพระสารีบุทอย่างรุนแรงน้ำหนักที่ตีสามารถทำให้ช้างสูงตั้งเจ็ดศอกหรือแปดศอกจมลงดินได้หรือทำลายยอดภูเขาได้ปัตพีนาสอง0 0ืยชสี่พันยไม่อาจรองรับรูปกายยักษ์ชั่วนั้นได้เรลยวไฟจากเอเวกีมหานรกลุ่งขึ้นมาเผาผลาญยักษ์ยักษ์ตนนั้นร้องทวนครางว่าเราร้อนเราร้อนเราร้อน แล้วตกลงไปสู่อเวจีมหานรกในที่นั้นเองพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเหตุการณ์ดังนั้นด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุท่านยังอดทนได้อยู่หรือยังพอเป็นไปได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมพอทนได้ยังพอเป็นไปได้ แต่เจ็บที่ศีรษะหน่อยหนึ่งพระมหาโมคขลานะกล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเกิดเหตุการณ์ถึงป่านนี้ท่านเพียงกล่าวว่าผมพอทนได้ยังพอเป็นไปได้แต่เจ็บที่ศีรษะหน่อยหนึ่งพระสารีบุตรกล่าวตอบและสรรเสริญพระโมคขลานะว่าท่านโมคขลานะ นาอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่เห็นยักษส่วนผมขณะ น, นี้ไม่เห็นแม้แต่ปีศาจเล่นฝุ่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับการเจรจาปราศัยเช่นนี้ด้วยโสตาธาตุอันเป็นทิพย์จึงต้องเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นดุดคูเขาหินไม่หวั่นไหว ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกจะถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนหลวงปู่ศีได้เล่าชีว่าประวัติต่อไปอีกว่าการที่เราเออกเที่ยวจาริกไปวิเวกย่อมอาจพบจิตวิญญาณมากมายที่มีอยู่ทั่วโลกถ้าเรามีจิตวิญญาณอ่อนกว่าเขาเขาก็อาจสามารถมารบกวนเราที่เดือดร้อนวุ่นวายได้ เดี๋ยวก็ว่าผีตรงนั้นดุผีตรงนั้นร้ายเดี๋ยวก็ผีปอบอย่างนั้นอย่างนี้ผีไร้ผีนาทำลายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเอาพลังจิตอะไรไปสู้กับเขาจะใช้เวทมนต์คาถาไม่ได้ทางนั้นบางทีเกิดขวางบ้านขวางเมืองเกิดเหตุอันนั้นอันนี้ร้อยอันพันประการถ้าเราบำรุงรักษาจิตใจให้มีพลังอย่างว่าแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้ปลูกเสกจิตใจของเรานี่แหละ ให้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาปลุกเสกจิตใจให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยไม่ต้องอาศัยเครื่องลางของถางภายนอกไม่ต้องอาศัยพระเครื่องไม่ต้องอาศัยเวทมนต์คาถาผ้ายัน์เอาพลังจิตเรานี่แหละให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้แล้วใช้ประโยชน์ได้หมดแม้แต่ฤาษีชีไพรเขายัางทําได้โลกเราทุกวันนี้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเท่าไหร่สังเกตคนที่นับถือศาสนาทั่วๆไป พอได้ยินข่าวว่าผู้มีบุญเกิดที่นั่นที่นี่เฮโลกันไปหาน้ำมนต์วิเศษเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเฮโลกันไปที่นั่นที่นี่บ่อยๆเพียงได้ยินข่าวว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็พากันเฮโลไปบางคนไม่มีค่ารถค่าเรือขายไก่ขายกาไปวุ่นวายว่าจะไปเอาของดีให้ได้แสดงว่าจิตใจยังไม่แน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ยังวิ่งหาสิ่งอื่นอยู่ได้ยินมงคลตื่นข่าวที่ไหนก็เฮโลไปเลยเรียกว่าไม่แน่นอนความไม่แน่นอนมักจะผิดพลาดการนับถือพระพุทธศาสนาก็ทำนองเดียวกันจะเล่าให้ฟังเคยมีพระองค์หนึ่งนึกว่าตัวได้เรียนธรรมได้เคยนั่งภาวนาคงเคยทำได้บ้างไม่ได้บ้างตามเรื่องญาติโยมจึงนิมนต์ท่านมาพักที่ทุ่งนาบ้านหนองใต้ พักอยู่ใกล้ๆต้นไม้แห่งหนึ่งพอตกครบค่ำพอมองเห็นอะไรลางๆจึงถึงได้สายศีลแล้วทําพิธีสวดมนต์ไล่ผีพวกโยมก็นั่งอยู่บริเวณนั้นพอสวดไปหน่อยปรากฏมีดุ้นฟืนติดไฟคว้างหือมาเฉียดหูพระพระเริ่มใจขอไม่สู้จะดีเสแล้วสักพักอีกครู่หนึ่งดุ้นไฟก็เปลวบือมาอีกไม่รู้ว่าใครคว้างมาจากตรงไหนหนักๆเข้าก็เกิดความกลัวอยู่ไม่ไหว เลยลุกวิ่งหนีหัวสุกหัวสุนนี่แหละถ้าไม่ได้ฝึกจิตจนมีพลังเหนือผีก็ไปไม่รอดเหมือนกันของพันนี้ไม่ได้ทำง่ายๆต้องมีพลังในด้านในพลังจิตของเราต้องสูงกว่าเขาถ้าหากมีพลังมากกว่าเขาแม้แต่อยู่ในบ้านในเรือนมันก็ร่มเย็นไปเลยมันไม่มีอำนาจอะไรมาทำเราได้ถึงจะมาก็มาไม่ถึง หรือแม้คนจะเอาเวทมนต์คาถามาใส่เหมือนอย่างพวกเขเมรว่ามีวัวธนูอะไรต่อมีอะไรมาไม่ถึงทางนั้นหากเรามีพลังจิตดีอาศัยพลังจิตอย่างเดียวกอบผีอะไรมาไม่ถึงตัวเราทั้งนั้นอำนาจของสมาธิมีมากจริงๆเป็นของลึกลับต้องทำให้มันมีเกิดขึ้นเราต้องพึ่งตนเองมาเกิดก็มาคนเดียวตายก็มาคนเดียวอตาหิตอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปพึ่งอะไรพึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หรอกต้องพึ่งจิตใจที่นีพพุท ธ, ธะคือมีความรู้จริงอย่างนี้แหละความรู้จริงมันเป็นธรรมะการประพฤติธปฏิบัติมาจนเกิดความรู้จริงนั่นแหละเป็นพระสงฆ์คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามผู้เดินตามรวมแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมอยู่ในใจของเราหมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทรกอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของจิตต้องเอาแบบนั้นจึงจะใช้ได้ไม่ใช่ไปเจอเหตุการณ์แล้วถึงนั่งสมาธิต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติจิตจึงจะใช้ได้นี่แหละหลักการมันเป็นอย่างนี้เราต้องทดสอบได้ทุกระยะแม้กระทั่งเดินไปเฉยๆก็รู้ว่าตรงไหนมันอ่อนตรงไหนมันแข็งมีผีสางนางไม้ที่ไหนมันหึงมันหวงก็รู้จักมันหวงมากหวงน้อยก็รู้จักทันที เมื่อจิตเรามีกำลังจะกำหนดเพ่งพูดผีปีศาจเพ่งให้ตายก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามทาลายพวกผูดผีปีศาจหรือเปรตท่านกราบอาบัติเป็นถุนละใจท่านไม่ให้ไปทําลายเขาอำนาจของจิตนี้มันแข็งถ้าเราฝึกหัดจริงๆอย่างท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านเคยพูดให้ฟังเวลาไปที่ใดผีมันเฉ็ดมันขวางเดินผ่านไปใจก็สัมผัสรู้ได้